เขากราบบูชาพระตนาไตรเขานอบน้อมบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนเขกากราบครวะหลวงพ่อกลมพระอาจารย์ทุกรูปพันเตเพื่อนสาธร ม, มิกเขาเจริญพรแม่ชแมีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่ง ตามปกติเนาะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันเย็นของวันศุกรนะ์นที่20กันยายนนะพุทธศักราช2556นะตามคิวจริงๆอัตมาต้องพูดเมื่อเช้านะพอดีหลวงพ่อํำเขียนมานะก็ได้ฟังหลวงพ่อก็ดีเหมือนกันนะ เหยนบรรยากาศมาพูดตอนเย็นจริงๆอาจารย์วัฒนาชัยก็นัดว่าให้อาจจะมาพูดพรุ่งนี้เช้าก็ไม่เป็นไรนะเวลาไหนก็ได้นะที่จะเป็นประโยชน์กับนะับนะปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะโครงการนะในการอบรมกรารจชการที่ดีนะของ อ่าสาธารณสุขอ่าจังหวัดโคราชนะซึ่งมากันประมาณ150ห้วค น, นวันนี้นหลายคนนะก็ได้มีประสบะการณ์เนาะได้เรียนรู้นะตัวเราเองอพวกเราส่วนใหญ่นะเราจะรู้จักโกครคภัยไข้เจ็บทางร่างกาย นะเราจะรู้จักกันดีแต่มันมีโรคอีกโรคหนึ่งซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันนะก็คือโรคทางใจนี่แหละนะโรคทางใจวันนี้หลายคนคงได้สัมผัสโรคทางใจบางทีมันก็เกี่ยวเนื่องกับกายมันเดินมากๆ ม, มันปวดมันเมื่อยนะมันเป็นโรคทางคือมันเป็นอาการของกายอะนะแต่เราก็รู้สึก หมุดหิดนะรู้สึกไม่สบายใจนะอันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับกายนะดรืบางทีวันนี้อากาศมันเย็นสภาพอากาศมันคืมคืมนะบางคนก็หดหูนะนะอันนี้ก็เป็นโรคทางใจเหมือนกันนะนถ้าใครอยู่คนเดียวแล้วบรรยากาศแบบเนี้นะมันจะเหงาเหงนะมันจะว้าวเวนะมันจะคิดถึง คนนั้นคนนี้นะอันนี้ก็เป็นโรคทางใจเหมือนกันนะซึ่งโรคอันนี้เนี่ยเข้าใจว่ากลมณามัยก็ดีหรือว่าสาธารณสุขก็ดียังไม่ได้บัญญัตินะว่าเป็นโรคนะแต่ในพระไตรปิฎกในพูดไว้ชัดนะเป็นโรคโรคหนึ่งเหมือนกันนะโรคทางใจและโรคชนิดนี้เนี่ยเป็นกับทุกคน ยกเว้นขมกลุ่มเดียวคือพระอารหันต์จะไม่เป็นนะแล้วก็โรคชนิดนี้เนี่ยมันเกิดได้ทุกเวลานะที่เราไม่รู้ตัวที่เราไม่รู้สึกตัวนะเขาบอกโรคทางกายเนี่ยบางทีปีหนึ่งอาจจะไม่เป็นเลยก็ได้อาจจะเป็นนิดๆหน่นอยๆ น, นะแต่โรคทางใจเนี่ยมันมีได้ทุกขณะจิตเลยนะ เพราะนั้นโลกชนิดนี้เนี่ยน่าสนใจนะโดยเฉพาะยิ่งที่เราทำทำงานในส่วนของสาธนารณสุขเนี่ยเพราะโลกทางใจอันนี้เนี่ยความเหงาความเบื่อเนะีความเครียดนะความหดหู่นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถ้าเราไม่รู้จักมันดีเนี่ยนะมันจะกัดกินจิตใจหรือความเป็นปกติสุขของใจ นะซึ่งน้อยคนนะที่จะเห็นอันตรายของมันน้อยคนที่จะตระหนักว่าไอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดูแลรักษาและเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะเท่าที่ทราบในปัจจุบันนี้เนี่ยคนในโลกชนิดนี้เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองนะโลก เครียดโรคซึมเศร้าโรคสับสนโรควัเวนะอันนี้เป็นกันมากอย่าว่าแต่คนในเมืองพวกเราก็น่าจะเป็นนะแต่ว่าเราไม่เคยได้สนใจกันนะเราก็ไปหาวิธีการรักษาด้วยการเที่ยวเตะเฮหาหาเพื่อนฝูงนะนั่นก็เป็นการเขาเรียกว่าเดียงเวนบนปลดเกลื่อน นะไม่รู้ต้นเหตุของมันว่ามันคืออะไรนะแล้วเราก็ไม่พยายามที่จะไปรักษาไปดูแลแล้วก็ไม่ได้ตระหนักนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นโรคชนิดหนึ่งนะที่เราจะต้องรักษาเหมือนกันกรมอนามัยโรคเนี่ยคาดว่าอีก7ปีข้างหน้าประมาณปีกศ2020โรคที่จะมาอันดับหนึ่งคือโรคเครียด นะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีแนวโน้มนั่นแหละยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปเท่าไรสังคมอยู่กันด้วยการแข่งขันแก่งแย่งนะชิงดีชิงเด่นกันนะโลกนี้จะมาเป็นอันดับหนึ่งและพอมันเครียดขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อกายด้วยนะทําให้เกิดโรคภยัยแค่เจ็บทางกายขึ้นมานะซึ่งตรงนี้เข้าใจว่ า, าพวกเราซึ่งคุ้นเคยกับงานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยคงจะทราบดี น้ว่าใจกับกายเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันบางทีกายป่วยใจก็ป่วยบางทีใจป่วยกายก็ป่วยอันนี้คือคนที่ไม่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนั่นเองนะ้าไม่รู้เท่าทันมันนั่นเองทีนี้ความเจ็บป่วยทางใจเนี่ยนาะมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ไม่รู้เท่าทัน หรือไม่ได้เรียนรู้ความจริงนาของกายของใจนั่นเองากายใจเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นปกติในส่วนของกายเนี่ยมันปกติก็คือมันไม่เป็นโรคอะไรส่วนของใจใจที่ปกติก็คือก็คือไม่ป่วยซึ่งตรงนี้เราไม่เคยรู้ส่วนใหญ่เราจะไปคุ้นเคยกับความเจ็บป่วยทางร่างกายแต่ความเจ็บป่วยทางจิตใจเนี่ย เราไม่ค่อยได้รู้นะหรือไม่คยได้ใส่ใจหรือไม่ค่อยได้สนใจนะเพราะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะ่ะเออมันก็ยากหน่อยเนาะโดยเฉพาะตัวเราเองนะเราทำงานนั่งสามาศุขเนี่ยเป็นงานที่หนักเป็นงานที่เหนื่อยบางครั้งก็เครียดบางครั้งก็สับสนนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาง สารสานุโคลราชเนี่ยได้เห็นความสำคัญนะก็ชวนพวกเราเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้อย่าไปคิดว่ามาวัดเนี่ยจะต้องมาถือศีลนะจะต้องมาปฏิบัติให้เหมือนพระนะจริงๆแล้วเนี่ยเรามาที่นี่เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะซึ่งความรู้ น, นี้เนี่ยเป็นความรู้ที่จำเป็นนะกับการที่เราจะอยู่ในโลกนี้ ในโลกที่มันสับสนวุ่นวายในโลกที่มันมีเรื่องหลายเรื่องเข้ามากระทบกระเทือนใจนะ่าทำให้จิตใจของเราไม่ปกติใจที่ไม่ปกตินั่นแหนะคือความเจ็บป่วยนะความเจ็บป่วยทางจิตนะความเจ็บป่วยทางใจนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ใส่ใจมันเนี่ยนะมันก็จะมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ อาการหนักขึ้นคืออย่างไงมันก็จะมีความทุกข์มีความทุกข์มีความหนักอกหนักใจบางทีก็หาทางออกไม่ได้แลสุดท้ายเนี่ยบางคนก็ไปคิดว่าจะ อ, อยู่ในโลกนี้ฆ่าตัวตายดีกว่าซึ่งในการฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเพราะปัญหามันเกิดที่ใจมันไม่ได้เกิดที่กายเราไปฆ่าไปฆ่าตายไปทําลายร้างตายปัญหาไม่จบ มันต้องจบมันต้องไปแก้ที่ใจเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะแล้วก็เดี๋ยวนี้สถิติการฆ่าตัวตายก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนในเมืองแเนะพราะนี้เขาไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามากันในครั้งนี้เนี่ยแม้ว่ามีเวลาไม่มากนักนะสักสามวันแต่ให้เราเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เราไม่เคยรู้ และสิ่งนี้เนี่ยจำเป็นกับตัวเราเองจำเป็นแก่งานที่เราจะทำนะเพราะว่าการจะไปสร้างความสุขให้กับสาธารณาชนที่เรียกว่าสาธารณาสุขเราจะต้องมีความสุขด้วยนะถ้าเรามีความทุกเนี่ยเราจะไปสร้างสุขได้อย่างไรนะเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็เลยเป็นเรื่องที่เอ่อเป็นสิ่งจำเป็นนะในการที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจ ทีนี้ในส่วนของกายเนี่ยนะก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงละนะเพราะพวกเราเข้าใจกันดีในส่วนของใจนี่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นักหรือบางคนอาจจะเข้าใจแล้วก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่นํามาเล่าสู่กันฟังเรื่องของใจเนี่ยใจมันเป็นสิ่งที่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีตัวตน มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สามารถมองเห็นด้วยความรู้สึกตัวหรือที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็คือความรู้สึกตัวขณะที่เรานั่งอยู่ฟังอยู่ขณะนี้นเรารู้สึกตัวไหมถ้าเรารู้สึกตัวก็นั่นแหละคือความรู้สึกตัวเป็นสติสัมปชัญญะที่มีอยู่แล้ว ต่สติสัมปชัญญะที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันยังไม่เพียงพอไม่เพียงพอในการที่จะไปเรียนรู้เรื่องใจที่จะไปเรียนรู้เรื่องอารมณ์ที่จะไปเรียนรู้เรื่องความคิดนะความเจ็บป่วยทางใจเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไวมากนะว้กว่าแสง น า, ายไสสไตล์บอกว่าอะไรที่ไวกว่าแสงไม่มีตัวตนความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีเป็นสิ่งที่ไวแต่ธรรมชาติก็มีสิ่งที่ไวทันกันสิ่งที่ไวทันกับความคิดคือความรู้สึกตัวเราสังเกต ด, ดูเวลาเรามีอารมณ์อะไรขึ้นม า, นาแล้วเรามันึกได้โอ้เราโกิดเข้าไปแล้วเออเราก็จะหยุดเราก็จะไม่โกรธแต่บางที ความรู้สึกตัวมันมาไม่ทันมันโกรธไปแล้วทั้งที่ทรู้ว่าโกรธไม่ดีไม่อยากให้มันโกรธแต่มันก็โกรธไปแล้วเพราะว่าเราไม่ทันรู้ตัวนะเพะฉะนั้นความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะที่มีตามธรรมดาเนี่ยมันเลยไม่พอไม่พอในการที่จะไปแก้ไขปัญหานะในการที่จะไปรู้เท่าทันความคิดนะโดยเพราะความคิดปรุงแต่ง ความคิดเปลี่แต่งในเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจนะฮะโดยเฉพาะความคิดจบคิดจิกวันนี้หลายคนเนี่ยมั่งสร้างจังหวะเดินชงกรมคงจะเห็นความคิดของตัวเองเยอะเลยใช่ไหมเออบางทีเราก็เะราไม่อยากจะคิดแต่มันก็คิดนะโดยเฉพาะไอ้เรื่องเก่าๆอ่ะไอ้เรื่องที่ฝังใจไว้นานน่ะมันจะโผล่มานะแล้วก็เป็นเรื่องบางทีก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ่ะมันคิดจุคิดจิกสารพัดจะคิด บางคนก็เอ๊ะมันทาไมฟุ้งซ่านจังเลยเราอยู่ที่บ้านก็อยู่ดีๆนี่ ม, นมันฟุ้งซ่านเลยมาปฏิบัติธรรมแล้วมันฟุง้งซ่านนะเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าเนี่ยปกติเราไปฝึกกรรมาฐานที่ไหนมันก็ต้องเงียบๆสงบๆใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรนะส่วนใหญ่ก็ไปคิดอย่างนั้นนะอันนั้นก็คือการไปกดหรือไปเจ็บ ก, กดความคิดนะซึ่งตรงเนี้ยมา เนวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ความจริงนะของความคิดนะซึ่งเป็นอาการหนึ่งของจิตนะที่มันแสดงตัวออกมานะหรือความง่วงอย่างเงี้ย น, นะความง่วงก็เป็นสิ่งที่มาเจอกับพวกเราโดยเฉพาะพวกเราวันนี้หลายคนคงได้สัมผัสกับควา ม, มง่วงนะความง่วงเนี่ย <c oughs> ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงตัวออกมา เป็นอาการหนึ่งของจิตที่มันแสดงตัวออกมานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็จะควดคุมเราให้เราทำตามมันเช่นเราเมื่องเราก็จะนอ น, นความเคยชินของเราคืออย่างนั้นแต่เรามาฝึกเราไม่นอนพระเดินไปเดินมานอนไม่ได้ <c oughs> นะ บางทีเราก็เห็นเพื่อนเขไม่นอนเราก็เลยไม่นอนถ้าอยู่บ้านก็นอนไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ศูนหน่อยนะฝืนศืนความวงนะนนวาม่วงนะอันเนี้ยความง่วงเนี้ยไปจะทําให้เราเรียนรู้อาการของจิตอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองทีนี้ความรู้สึกตัวที่เราเราจะพัฒนาให้มันมีความฉับไวขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นนาเราก็ใช้วิธีการเคลื่อนไหวคือความรู้สึกตัวก็เป็นมามาทําอย่างหนึ่งเหมือนกันเราไม่สามารถที่จะจับมาให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้แต่มันมีเทคนิคนาหรือมีสิ่งที่ติดหรือเกี่ยวเนื่องกันกายกับใจนี่มันติดกันเราจะไปเรียนรู้ใจเราก็มาเรียนรู้ที่กายกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นดุมเป็นก้อน มันสัมผัสได้ง่ายนะถ้าเราอยู่นั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะไม่ชัดแล้วบางทีมันจะ่ว ง, งแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวเมื่อไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดพลังขึ้นมาเป็นพลังแห่งความรู้สึกตัวก็เรียกพลังแห่งสติเป็นการปลุกความรู้สึกตัวหรือบางทีก็เรียกว่าธาตุรู้นะธาตุรู้ที่มือในตัวเราให้มันเปิดขึ้นให้มันมีความฉับไฟขึ้นตรงนี้แหละ นะหลวงเทียนท่านก็เลยได้นําเสนอวิธีการนี้ขึ้นมาแในซึ่งเป็นวิธีการที่หลายคนแปลกใจว่ามีด้วยเหรอการฝึกกรรมฐานโดยไม่นั่งหลับตาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เห็นมันมีนั่งหลับตาเงียบๆสงบใช่ไหมแต่ไม่ลืมตาให้ยกมือไม่นั่งนิ่งๆด้วยมันจะเป็นไปได้หรือ นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ตัวกระผมนิธรมายเองก็ตอนแรกที่ไปเจอหลวงพ่อเทียนก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกที่ไม่เคยมีนะในยุคปัจจุบันนี้เพราะนั้นคนที่เคยนั่งสมาธิแบบหลับตาแล้วสงบเนี่ยมาทำวิธีนี้เนี่ยจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันไม่สงบมันฟุ้งซ่าน เราเคยแต่นั่งนิ่งนิสงบหลับตาไม่ต้องคิดอะไรแล้วเราคิดว่าอันนั้นหละคือเป้าหมายอันนั้นะคือความสุขแต่เคยสังเกตไนหะคนที่นั่งหลับตานิ่งนสงบสงบแบบนิ่งแล้วไม่รู้อะไรเนี่ยนะพอไาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยพอมีอารมณ์เข้ามาเนี่ยเราจะโกรธได้ง่ายเราจะหงดหิดได้ง่ายเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฝึก ที่จะประชิญกับอารมณ์มาการนั่งนิ่งๆหลับตาสงบเนี่ยไม่ได้ประชิญกับอารมณ์เป็นการกดเก็บอารมณ์แ ม, ม่นแสดงตัวออกมาเพราะนั้นปัญญาเลยไม่เกิดเพราะนั้นปัญญาเนี่ยงานที่จะเกิดในการที่จะรู้เท่าทันความคิดในการที่จะรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยมันต้องพร้อมปรชิญการที่เราให้หลืมตาก็ดีให้เคลื่อนไหวก็ดีเนี่ย ก็คือเราจะล่อให้อารมณ์เนี่ยมันมันแสดงตัวออกมานะเมื่อมันแสดงตัวออกมาเนี่ยเรารู้เท่าทันมันเราอาศัยความรู้สึกตัวในเป็นตัวต่อรองตัวต่อรองตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้กำลังของความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันมีความฉับไวขึ้นแล้วมันก็จะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันแสดงตัวออกมาทั้งส่วนที่สะสมอยู่ในตัวเราที่เป็นความเคยชิน เป็นนิสัยนิสัยที่จะคิดฝุ่งซ่านิสัยที่จะต้องกังวลไปในเรื่องของอนาคตนิสัยที่จะอะไรอาวรไปกับในอดีตมันจะผุดแสดงขึ้นมาเมื่อมันผุดแสดงขึ้นมาเนี่ยเรารู้เราเห็นเราปรับมารู้ที่การเคลื่อนไหวนะเรากลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวบ่อยๆก็คือเราไม่ห้ามอะรมาเราจะเกิดความคิดอะไรจะเกิดไม่ห้ามแต่ไม่ตาม ไม่ห้ามแต่ไม่ตามไม่กดไม่ห้ามมันจะเกิดก็เกิดไปแต่เราไม่สนใจมันเรามาอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี้เรามาสนใจกับการเคลื่อนไหวนี้ก็คือเรามารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวนี้บ่อยใจเราเนี่ยมันจะรับได้เพียงอย่างเดียวถ้าความรู้สึกตัวมันชัดความคิดมันจะเข้ามาไม่ได้มันมาแล้วมันก็ไปแต่ที่มันมาแล้วมันไม่ไปนะเพราะเราเป็นมวงมันเอาไว้ จริงๆจริงๆมันก็ไปแล้วแหละแต่เราจามันไว้เราเมาอืองมันไว้จริงๆมันมันผ่านไปอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆนีะมันเหมือนสายลมแสงแดด ท, ที่มันจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ที่เราไม่ผ่านเพราะเราจดจำเราระลึกเราจดจำเอาไว้ถ้าเป็นอารมณ์ที่เราพอใจอารมณ์ที่เราเปงความสุขเราอยากให้มันอยู่นานๆ อารมณ์ที่เป็นความทุกข์ความไม่พอใจเราอยากให้มันออกไปแต่สิ่งอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมนไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้อย่างดีที่สุดก็คือกลับมารู้สึกตัวการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเป็นยารักษาใจนะเป็นยารักษาใจเพราะยายาขนาดนี้หรือตำรับนี้ ไม่มีใครปลูงให้ได้นอกจากตัวเราเองถ้าเราสามารถปลูกยานี้ได้เนี่ยเราจะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็จะกลับคืนสู่ความเป็นปกติของใจใจก็จะไม่ป่วยใจก็จะไม่มีโรคน่าเรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันจะผ่านไปเราจะไม่ไปยึดไปถือว่าเราทุกข์ เราสุขความทุกข์ความสุขเหมือนสายลมที่มันผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ความที่เราไม่รู้ความที่เราไม่เห็นความที่เราไม่รู้ตัวเราก็ไปเวยอ่ามาว่าเป็นเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่เลยมันก็เป็นอาการนี่มันผ่านไปผ่านไปเพราะนั้นการฝึกเตระสติเนี่ยมาด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยรามีหน้าที่ รู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกเป็นขณะเป็นขณะนะแล้วอารมณ์อะไรเกิดขึ้นความคิดอะไรเกิดขึ้นผ่านไปผ่านไปไม่ต้องไปนองไว้ทุกอย่างผ่านไปตรงนี้จะทําให้ความรู้สึกตัวตื่นขึ้นถ้ารู้จะตื่นขึ้นพลังงานสติจะตื่นขึ้นความจับปลายของความรู้สึกตัวจะไวขึ้นไวในการที่จะรู้ได้ทันความคิดและอารมณ์ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนายท่านอาจารย์ธงศิลป น, นาก็พยายามที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ฝึกได้ทํามากกว่าที่จะพูดให้ฟังเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติโดยตรงการเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่สามารถจะคิดรู้มันต้องระลึกหรือสัมผัสรู้การเรียนธรรมะเนี่ยจะแตกต่างไปจากการเรียนที่เราเคยเรียนกันนาส่วนใหญ่เราเรียนโดยใช้ความคิด หายคือท้าผลมันใช่ไหมนะมันสมเหตุสมผลไหมมันเป็นไปได้ไหมตรงนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นการมาเรียนรู้เรื่องนี้อย่าใช้ความคิดเลยนะทิ้งให้หมดเลยไม่ต้องไปสงสัยเลยดูไปเลยแล้วลองดูซิมันจริงอย่างที่อาจารย์พูดไหมจริงอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดไหมพิสูจน์ด้วยตัวเราเองอย่าไปคิดจนบก โอ้มันอย่างนี้ได้สูตรใช่แล้วเพราะว่าความคิดเนี่ยมันมันจะหลอกเราได้นะแม้แต่อะไรทำเนี่ยมันก็จะหลอกเรานะหลอกให้เราไม่อยอมไปทำเลยเราเครียดก็หม่เห็นจะต้องไปทำอะไรก็ไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงตัวสภาพเพื่อนมันก็หายได้นี่ใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่เราเราไม่ได้เรียนรู้ความจริงของใจของเราจริง หรือโรคที่มันเกิดขึ้นกับใจเราจริงๆเพราะนั้นการมาที่นี่เนี่ยจะเ น, น้นให้เราเนี่ยได้เผชิญกับอารมณ์เผชิญกับความคิดทุกๆลักษณะทั้งที่พอใจไม่พอใจแล้วก็ปกตินะซึ่งในสภาพปกตินะพวกเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้สนใจและไม่ค่อยได้รู้กันนะไอความเป็นปกติของใจเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวชัด บ่อยๆตรงนี้จะทําให้เราสามารถที่จะพึ่งตัวเราเองได้นะใจจะกลับคืนสู่ความเป็นปกติจริงๆใจเนี่ยมันปกติอยู่แล้วแหะแต่ที่มันไม่ปกติเพราะมันมีอารมณ์เข้ามาแทรกมีความคิดก็ามาแทรกมันมาบังทาให้ความเป็นปกติมันมันเลือนไปจริงๆความปกติมันยังมีอยู่เหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยมันสว่างอยู่ตลอดเวลา แต่ที่ทางฟ้ามันมเมฆพอเมฆมันมาบังใจปกตินั้นมีแล้วแต่อารมณ์มันมาบังเราไม่หันมันเราก็เลยสุ ข, สขทุกข์พอใจไม่พอใจแต่ไม่ได้ที่เรารู้ตัวทันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะหายไปใจที่ปกติมันก็จะเด่นออกมามันจะแสดงตัวออกมาความเป็นปกติของใจมันจะแสดงออกมานี่คือสภาพ ท, ที่ไม่เป็นโรคใจที่ไม่เป็นโรค เพราะฉะนั้นยารักษาใจที่เราจะใช้ก็คือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้จะประกอบไปได้วยสติปัญญาพร้อมกันหมดถ้าเรามีสติสัมปชัญญะชัดเจนทำอยู่บ่อยๆเรื่อยๆเราเจนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้โยนนาศแห น, แนมหนาศเราปัญญามันจะเกิดตรงเนี้ยเรียกว่าปัญญาพุท ธ, ธะปัญญาเป็นยาที่จะรักษาใจ นะที่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเราแล้วการยึดถือไนดะ้มันจะเกิดการปล่อยวางเองโดยธรรมชาติเราไม่ได้เป็นนึกไปคิดว่าจะปล่อยจะวางนี่ไม่ใช่เราไปจำบทสวดที่สวดตายแล้วให้มันปล่อยวางไอ้นี่เราคิดคิดที่จะปล่อยวางมันก็ช่วยได้ทําให้ใจเราสบายไปชั่วคราวแต่มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันไม่ได้เข้าไปรู้ความจริง มาของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานั่นก็คือในส่วนของใจนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะถือว่าเป็นเป็นโชคเป็นวาสนาของพวกเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยง่ายๆนะเขาบอกการเกิดมาเป็นมนุษย์เน่ยก็ยากเลยนะและการได้ พ, พ, พะะุทธพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่าเจ้เจ้าจะเกิดมีต้องตามตํารานะ คำพีเขาว่าสอสงไขยแสนกลับบางช่วงไม่มีพุทธเจ้าเลยอย่าง พ, พาวกเราเนี่ยถือว่ายังอยู่ในช่วงที่มีพุทธเจ้าแล้วคําสอนก็ยังมีอยู่ครูบาอาจารย์ก็เอาคําสอนเนี่ยมาพยายามปรปับให้มันเหมาะกับยุคสมัยซึ่งในยุคนี้เนี่ยการทํากรรมฐานโดยไม่หลับตาโดยการเคลื่อนไหวเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ย มันไม่ใช่มือง่ายๆเลยนะในประเทศไทยมันมีน้อยมากเพรา้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพะพุทธศาสนาแล้วพบกับวิธีการที่ไม่ยากเลยง่ายๆสามารถใช้ได้ในชีวิตจาวันเราจะรอช้ายอยู่ทำไมละ่ะเปิดใจแล้วก็ลุยไปเลยวันนี้ปรับตัวหลายคนอาจจะยังไม่ยอมรับหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ให้ทำไปทำไมวะให้มายกไม้ยกมือ จากหน้ า, า, นาตาสีหน้าสีหน้าแต่ละคนเนี่ยอาตมาพอจะมองเห็นนะว่ายังไม่ยอมรับหรอกยังไม่เปิดใจหรอกก็ทําไปอย่างนั้นแนหะแต่บางตนก็ยกตอกลับตอ ก, กตัดนะยกไปอย่งนั้นเองนะเพราะฉะนั้นอยากจะอยากจะชวนพวกเราโอกาสดูเนี่ยโอกาสไม่ใช่ง่ายๆนะบางทีอาจจะครั้งเดียวในชีวิตนะถ้าไม่มีโชวโอกาสนี้ปุ๊บหายไปเลยโอกาสทองไม่มีอีกแล้ว ในเพราะนั้นเติมรื้อเนี่ยวันนี้ปรับตัวพุ่งนี้อีกวันมาลืนี้อีกวันสองวันเต็มที่ลือไปเลยไม่ต้องไปเห็นแก่ความสะดวกสบายนะมันจะเหน็ดเหนื่อยมันจะตายให้รู้อไปเลยไม่ตายหรอกนะรื้อไปเลยนะแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายมาสรุปนะว่าให้มันคุ้มไหมกับการมาครั้งนี้นะถ้าเรายัง ไปเรื่อยๆเอยๆทำมั่งไม่ทำมั่งมันก็จะเสียเวลาไม่คุ้มกั น, นแล้วก็จะมานึกเสียดายทีหลังว่าแหมทําไมเราไม่ไม่ไม่เวยโอกาสตรงนั้ น, นะังนั้นตรเนี้เป็นโชคเป็นวาสนาของพวกเราที่ได้มีโอกาสมารเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็เป็นการปรุงยารักษาใจตัวเราเองด้วยและถ้าเรารักษาใจตัวเราเองได้เนี่ย เราก็จะแบกรับไปให้กับคนข้างเคียงไปให้กับผู้รับบริการของพวกเราที่เราจะต้องไปทำงานและเราจะต้องเผชิญกับความยากลำบากอีกมากมายในการทำงานแต่ถ้าจิตใจของเราเป็นปกติเรามีสติมีความรู้สึกตัวมีความมั่นคงการงานก็ดีใจเราก็ดีกายเราก็ดีหน่วยงานเราก็ดี สังคมก็ดีประเทศชาติก็ดีโลกก็ดีสันติสุขสันติภาพจะเกิดขึ้นอย่างแ น, น, น่นอนนะแต่ภายในสามวันนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากนะทำเหตุอย่าไปหวังผลนะบางทีไปหวังผลมากบางทีมันเครียดเกินไปนะก็พยายามใช้เวลาทุกเวลานาทีในรูปแบบเนี่ยการเดินจงกรมการสร้างจังหวะทำให้ได้มากๆนะ แล้วก็เมื่อเลิกจากการทํารวมกลุ่มเวลาไปดื่มน้ําลานะไปห้องน้ำเฉวยโอกาสที่จะรู้สึกตัวพยายามลดการพูดคุยอยู่คนเดียวได้จะดีที่สุดเลยให้เวลากับตัวเองเต็มที่ในเรื่องนี้นะตัวเนื้อมันจะทําให้ความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการฝึก ม, ม, มันต้องมีความต่อเนื่องบางทีเราฝึกในรูปแบบ กับกลมเนี่ย โ, โหดีจังเลยแต่พอถึงเล่าปุ๊บคุยกันเลยเหมือนกับเราเอาตังหยอดกระตุกความสินอ่ะพอเราคุยกันเนี่ยกระตุกความสินแตกเลยสติมันหายแล้วพนเรื่ตรงนี้มันจะขาดช่วงนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ให้รามัดระวังนิดนึงนะให้เรามีความรู้สึกตัวกับการ อ, อ, อาบน้ำกับการดื่มกับการรับทานอาหาร กับการขับถ่ายนะกับการหลับการ น, นอนเรฉะนั้นการเจริญสติแบบนี้นะทําได้ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นยานหลับอาจารย์ไพศานั่นเคยเล่าให้ฟังว่าไปถามหลวงพเทียนว่าวันหนึ่งควรจะทําทกี่ชั่วโมงหลวงพเทียนบอกทําตลอดตั้งแต่ตื่นยานหลับทีนี้ตื่นยานหลับหมายถึงจะต้องนั่งสร้างจัหวะทั้งวันเหรอไม่ใช่ แม้สร้างจังหวะเนี้ยก็ในช่วงที่เราทํารวมกลุ่มกันเนี้ยแต่ในช่วงที่หลังจากนั้นไปทํากิจวัตรประจําวันให้มีความรู้สึกตัวด้วยเป็นเนี้ยเก็บเล็กผสมน้อยมันจะทําให้ความรู้สึกตัวนั้นต่อเนื่องถ้าเราทําให้ความรู้สึกตัวต่อเนื่องเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะตื่นมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายเพียงแค่สามวันเนี่ยถ้าตั้งใจทําดีๆนะมันก็น่าจะมีผลบ้างแต่ก็ไม่ต้องไปหวังผลมากนะ อันนี้เพียงจะพูดที่ฟังเท่านั้นเองนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็อยากจะชวนพวกเราเนาะมากันสามวันเนี่ยเวลาน้อยมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรยังดีกว่ามาวันเดียวสามวันดีกว่าวันเดียวนะแล้วก็พยายามตั้งใจนะในการที่จะเออจริญสติและวิธีการนี้ง่ายนะทำอย่างเดียวนะที่อาจารย์หนังสือมนบอกใจมีสติอยู่กับกายแค่เนี้ ใจมีสติอยู่กับกายแค่นี้แต่มั น, นทำให้ได้บ่อยๆผล ม, มันจะเกิดขึ้นเองมันเป็นเองนาเรามาพิสูจน์ดูอันนี้เป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองและตรงเนี้ยจะเป็นยารักษาใจนที่จะแก้ไขใจที่ไม่ปกติในแต่ละวันของเราเร า, เราจะเจอขึ้นๆลงๆอารมณ์ขึ้นๆลงๆแต่เรามาอยู่ที่นี่เราจะไม่ค่อย ไม่คขึ้นลงเหม I mean like นะือนย่งกับข้ issement, לו, like so ica, างนอกแต่มาอยู่ที่นมื่อมันเห็นชัดนะอารมณ์ขึ้นขลงลงเนี่ยมันจะชัดเพราะว่ามันเงียบแล้วเห็นสนะิ่งเหล่านี้แล้วเราจะได้เรียนรู้ความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีถ้าเห็นชัดเลนะมันจะไม่มีที <fun> ่พ้นกัเราแต่ที่มันมีอที่พ้นกัเราเพราะเราไม่ได้ดูเราไม่ได้สนใจมันก็เลยมาควบคุมมาครอบงำเราเราไม่เป็นอิสระใจไม่เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อเราเห็นชัด เรารู้ชัดเราจะกลายเป็นผู้ดูไปละเราจะไม่เข้าไปเป็นเหมือนเมื่อเช้าที่หลวงพอ่อท่านเทศเราจะไม่เข้าไปสุขไปทุกข์เราเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เราเห็นมันคิดแต่แตอนเราไม่เห็นเนี่ยเรากลืนเข้าไปกับมันเลยเรากลายเป็นผู้สุขผู้ทุกข์กลายเป็นผู้คิดเพราะฉะนั้นเมื่อเช้าหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าอะไรเกิดขึ้นกลับมาลึกซึ้ตัวกับมาลึกซึ้ตัวนี้คือสูตรยารักษาใจ ที่เราจะใช้ได้แต่มันไม่สามารถที่จะมุดคิดได้นะต้องทำยาตำรับนี้ต้องปรุงด้วยตัวเราเองด้วยความเพียรด้วยความพยายามทำบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆนะทำให้มันต่อเนื่องผลมันจะเกิดขึ้นเองแต่เป็นยังไงก็แล้วแต่มันเราไม่ต้องไปคาดหวังนะหรือไม่กระเก์ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไปเอง าอันนี้ก็เพื่อแต่ละสร้างเหตุก็คือทำความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวเมื่อรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวจะเข้าเห็นใจที่มึคิดเมื่อเห็นใจที่มึคิดมันจะไม่เกิดการยึดถือมันจะเกิดการปล่อยวางใจที่เป็นปกติจะแสดงตัวเด่นขึ้นมานั่นละคือที่พึ่งของเรานั่นหละคือบ้านที่แท้จริงของเรานั่นหละคือยาที่จะรักษาใจ ที่มันขึ้นขึ้นลงลงกับอารมณ์มีม่และเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะก็คิดว่าพูดมาพอสมควรนะถ้าสิ่งไหนขาตกบกพร่องไปก็หวังว่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์นั้นจะได้เสริมเพิ่มเติมนะหรือถ้ามีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจนะก็ได้สอบถามพูดคุยกันเพิ่มเติมในภายหลังไดนะ้ก็ขอให้เราตั้งใจนะ ที่จะกลับมารู้สึกตัวให้เรื่ยๆนะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะในระหว่างที่เราอยู่ 2, อีกสองวันสามวันนี้นะขอให้ได้ใช้เวลาให้เรื่องนี้อย่างเต็มที่นะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอ อ, อ, อิงเอาคุณของพระศรีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธนะก็นับตั้งแต่พุทธเจ้านะแล้วก็สติ ปัญญานะที่มีอยู่ในตัวเรานะก็คือเป็นพระพุทธที่มีอยู่ในตัวเราจริงๆนะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมคือสัจธรรมความจริงนะที่พระพุทธองค์ได้แสดงนะแล้วก็สัจธรรมความจริงที่ปรากฏที่แสดงให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะโดยอาศัยตาในคือความรู้สึกตัวนะที่เราจะเห็นได้นะแล้วก็พระสงฆนะ์ก็คือพระอริยสงฆ์ นะครูบาอาจารย์นะที่ได้ถ่ายทอดคำสอนของพุทธเจ้ามาจนถึงยุคปัจจุบันรวมจนถึงตัวเรานะที่เป็นผู้ปฏิบัตนะิประกอบด้วยความเพียรความพยายามอย่างไม่ย่อหย่อ น, นะแล้วก็ด้วยสิ่งเหล่านี้จงเป็นพระวัจปัจหนุนนำให้ทุกท่านนะได้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเห็นความจริงของชีวิต นาได้ยารักษาใจนาที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเจริญพร